บัณาสนิกช น, นทั้งหลายและบรรดาเพื่อนที่สาธารรนิกาทั้งหลายสำหรับเวลาต่อไปนี้ก็ขอได้โปรดฟังเรื่องบุคคลตัวอย่างในเรื่องของมัตตกุณนลีเทพบุตรต่อสำหรับประวานนี้ มาจบลงตามที่พระบาลีทิ้งกล่าวว่าในขณะนั้นมตัตเตคุณเลีมานบกำลังนอนผินหน้าหันไปทั้งข้างฝาเรือนสมเด็จพระผู้มีพระภ้าเจ้าสเสด็จมาเขามองมาเห็นตอนนั้นสมเด็จพระผู้มีพระภ้าเจ้าจึงได้ทรงปริงชับพันรงังศรี ดัศมีบริการเป็นแสงให้ปรากฏแก่ตาของเขาเพียงแว บ, บเดียวมานรสไมคิดว่านี่แสงอะไรจึงนอนพลิกกลับมาเห็นองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วจึงคิดว่าเราอาศัยบีดาเป็นผานจึงไม่ได้เข้าเฝ้าองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้มีพระรมหากรุณาที่คุณทั้งปานนี้ ถ้อทําการขวนขวายได้กายหมายกว่าว่ากายก็ไม่มีโอกาสจะได้ไวหวพระการถวายทานก็ไม่มีถ้าว่าการฟังธรรมก็ไม่เคยฟังทั้งนี้เพราะว่าพ่อและแม่เป็นนิชชาทิฏฐิแต่ว่าเดี๋ยวนี้แม้แต่มือทั้งสองข้างของเราก็ยกไม่ไหวกิจ เืินที่ทําสการะกนองค์สมเด็จพระจอมไตรบรมศาสนาไม่มีจะมีก็แต่น้ําใจเท่านั้นที่รันจริงเขายังน้อมน้ําใจเคารพในองค์สมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดาด้วยจิตที่เริ่มใสจริงๆสําหรับวันก่อนมาหยุดไว้เพียงแค่นี้วันนี้ก็ยังต่อไป เป็นนั้นว่าในเวลานั้นองค์สมเด็จพระจอมไตรบรมาสาดาทรงดมรีว่ามัตต์กุณ ล, ลีได้เห็นเราเพียงเทาง่านี้ก็เป็นการทอแล้วเพราะว่าการเห็นของมากราทีกเพราะโดย ก, การที่มานพนี้ได้ทำใจให้เร่อมใสในเราเพียงเท่านี้ชื่อว่าเป็นกุศลใหญ่ เอจนั้นองค์สมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดาจึงได้ทรงสนิทเสด็จหลีไปพระองค์สมเด็จพระจอมไตรกําลังสเสด็จกลับลับตาไปนั่นเองมัตเตคุนดลีมานพมีจิตเลื่อมใสในองค์สมเด็จพระผู้ทธมีพระพ่ายเจ้าไม่คลายจิต ในขณะนั้นเขาก็การทำลายเย้าเรียกว่าชีวิตของเราเขาก็ถึงตักใสคือทำกาละแล้วเป็นอันว่าเขาตายกำลังที่มีจิตเรื่อมใสในองค์สมเด็จพระจอมไตรบริมศสดา <c oughs> ตามพระบาลีได้กล่าวว่า <c oughs> ตามพระบาลีได้กล่าวว่าเหมือนกันนอนหลับกลับตื่นขึ้น เขาไปเกิดในวิมานสมระมาณสามสิบโยตในดาวดิงสศริวโลกสำหรับในตอนนี้เขาแวะข้างทางสักนิดหนึ่งว่าการที่องค์สมเด็จระสัมมาสัมพุทธเจา้าทรงมีพระมหากรุณาธิคุณในมัตตุณลีเทพบุตรพระโทษในมัตตุณลีมานบ ว่าเขาตั้งแต่เกิดมาเนี่ยแม้แต่ไหายพระพุทธเจ้าก็ไม่เคยไหว้ทงความเคารพในกายอย่างใดอย่างหนึ่งก็ไม่เคยมีแม้แต่ทานก็ไม่เคยถวายทั้งนี้เพราะอะไรเพราะว่าพ่อของเขาเป็นผ่านคือเป็นมิจฉาทิฏฐิ <c oughs> เป็นแต่เพียงว่าเขาได้เห็นพระพุทธเจ้าครั้งเดียวมีความเลื่อมใส แล้วก็ใจจับอยู่ในพระพุทธเจา้าเพียงชั่วขณะจิตเดียวเขาก็ตายตายแล้วไปเกิดเป็นเทวดาบนสวรรค์ชั้นดาวดึงสเทวโลกมีวิมานสูงประมาณสามสิบโยต์การที่มัตเกุณดลีมานบมีความเคารพในพระรพุทธเจ้าท่านเรียกว่าพุทานุสติกรรมฐานถ้าเราจะเปรียบเทียบกัน ที่ท่านมัตตคุณลีมานบหรือว่ามัตตกุณลีเทพบุตรได้วิมายขนาดนั้นถ้าเราจะเทียบกําลังใจที่เรามีความเลื่อมใสองค์สมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดาตั้งใจบูชาพระพุทธเจ้ากันมาตั้งแต่เกิดหรือแม้ว่าจะเพิ่งบ่มีจิตเลื่อมใสเพียงแค่เดือนสองเดือนเก้าวันสิบวันก็ตามที เปรียบเทียบกับวัตกุณลีเทพ บ, บุตรพวกเราเคยให้ทานตามคำแนะนำขององค์สมเด็จตระสมมาสัมพุทธเจ้าถาวายทานแด่พระสงฆ์บ้างให้ทานแก่คนบ้างให้ทานแก่สัตว์บ้างท่านี้พระว่าเป็นบุญกิจยาวัตถุอันหนึ่งข้อแรกที่สมเด็จตระสมมาสัมพุทธเจ้ากล่าวว่าเป็นบุญนี่เราเคยทำ แล้วการสมาทานศีลเราก็เคยสมาทานฟังเทศเราก็เคยฟังและนอกจากนั้นการเจริญพุทธานุสติกรมทานที่เราใช้คำว่าพุโทโธเราก็ทากันเป็นปกตินอกจากนั้นในด้านวิปัสสนาญาณและก็กิจแล้วิธรรมะอย่างอื่นที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสอนเราเราก็ทำ เมื่อเราลองเปรียบเทียบตัวของเราเองว่ามาตัตกุณฑลีเทพบทุตรมีความเลื่อมใสในพระพุทธเจ้าเพียงชั่วขณะจิตเดียวท่านตายไปแล้วไปเกิดเป็นเทวดาบนสวรรค์เช่นดาวะเดิงสถิวโลกมีวิมานสูงถึงสามสิยโยต์ได้แต่บนที่เราทำนี้มากมายกว่ามาตัตกุณฑลีมากนัก ขอบรรดาท่านพุทธบริษัทถ้าท่านทั้งหลายยังไม่คลายความมั่นใจในความดีขององค์สมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดาเรายังบูชาความดีของท่านคืนหนึ่งสนับสนุนพระพุทธศาสนาด้วยการบริจาคทานการบริจาคทานจะให้กับพร ะ, ะจะให้กับคนจะให้กับสัตว์ก็ตาม ที่ว่าทําไปเดินนัดเมตตาจิตที่อันนี้ชื่อว่าเป็นจิตที่มีความผ่องใสนอกจากนั้นหากว่าเจ้ท่านจ้าวชาพระพุทธรูปพระพุทธประธรรมประสงค์ด้วยเครื่องเสกาวรามิตรเช่นดอกไม้ทบเทียนเป็นต้นเพียงเท่านั้นก็ชื่อว่ายังดีกว่ามัตต์ผลทลีที่ผบุตร เขาไม่ได้กลมนาลีเทพบุตรแม้ได้ยกมือไหว้ก็ไม่มีหากว่าท่านหลายบางท่านจะประบูชาองค์สมเด็จพระจีนศรีด้วยเครื่องดนตรีคือการขับกระโคมก็ดูตัวอย่างท่านเทพบุตรท่านหนึ่งที่มีนามว่ามาลาภาลีเทพบุตรท่านผู้ น, นี้จะไปทไหนก็ตามปรากฏว่ามีเครื่องดนตรีติดตามอยู่เสมอ ทั้งนี้ก็เพราะว่าท่านในสมัยที่เป็นมนุษย์เคยบูชาองค์สมเด็จระส ม, มาสัพพุทธเจ้าเดชรุดิยางดนตรีที่บริการหนึ่งเราฟังทำเราปฏิบัติตามทมขึ้นชีอว่าบุญทั้งหมดเป็นมหากุสลนจะนั้นจึงมั่นใจได้ว่าถ้าบรรดาท่านพุทธศาสนิกชนไม่คลายความเลื่อมใสในองค์สมเด็จระส ม, มาสัพพุทธเจ้า บุญที่เราจะได้จากการบำเพ็ญกุศล น, นี้จะมีอนุภาพยิ่ง ใ, ใหญ่กว่ามัตตคุณดลีเทพบุตรมากขอพูดไว้เพียงเท่านี้ไม่ได้การสวดมนต์ไหว้พระเป็นประจำวันก็เหมือนกันเราก็ทําได้มากกว่ามัตตคุณดลีเทพบุตร <c oughs> นี่เล่าเรื่องนี้กันต่อไปฝ่ายฟา ร, ร์พูดทำชาบัญญัติหมายกว้างฟา ร, ร์มทุบนท่อ เมื่อลูกชายตายแล้วก็ทำชาบันดิดกิจคือการเผาเผาแล้วก็มีแต่การร้องไห้อีกหนิสคิดถึงลูกแล้วเวลาลูกอยู่จะรักษาก็เกยงเกรงจะเสียสตังจะหาหมอมาสายก็รักษาก็เกรงว่าจะเสียค่าจ้างจะเรียกมามปั่นข้าวเกรงว่าจะเสียค่ายา ตอนนี้เวลาลูกตายท่านยังไงนั่งร้องไหย้ยืนร้องไห้นอนร้องไห้เดินร้องไห้ร้องไห้ตามมัธยายาใสนี่เป็นเรื่องเขาคนขี้เหนียวเป็นว่าแกก็ไปยืนอยู่ที่ประช้าเวลาตอนเช้าเ้ากินข้าวแล้วทุกวันแกก็ไปที่ประช้าเสมอเสมอเป็นประจา ไปแล้วก็ร้องไห้ฟางบนฟางว่าเจ้าลูกรักคนเดียวของพ่ออยู่ที่ไหนลูกคนเดียวของพ่ออยู่ที่ไหนเวลานี่ขอให้มาอยู่กับพ่อพ่อกําลังมารับเจ้าก็ว่ากันไปเหมือนกับคนบ้าบ้าหรือไม่บ้าคนที่ร้องไห้ถึงคนตายบ้าหรือไม่บ้าความจริงก็น่าจะบอกว่าบ้า เนี่ก็ว่ากันไปใหม่ตามเรื่องเป็นอันว่าเวลาลูกอยู่ไม่มีความปราณีในลูกเห็นว่าทรัพย์สินมีค่ากว่าชีวิตของลูกไม่ยอมรักษาลูกแต่ว่าพอลูกตายไปยืนร้องไห้อยากจะให้ลูกกลับมาก็ลองคิดดูคนประเภทนี้คนดีหรือคนบ้า ก, ก็ว่ากันไปตามอธัธยาศัยตามท่าบาลีที่กล่าวว่าแม้เทพบุตร คือมัตต์กุณฑลีเทพบุตรที่มองเห็นพระพุทธเจ้าวแว บ, บเดียวมีจิตเรื่องใสในพระพุทธเจ้าเวลานั่งเขาไปเป็นเทวดานั่งและดูสมบัติที่ตนได้แล้วยิง่งนมาคิดว่าดิสมบัติที่เราได้มา น, นี่เพราะอาใสอะไรเป็นเหตุเมื่อพิจารณาไปแล้วก็ทราบว่า นี่อานิสงส์ที่ได้อย่างนี้เพราะอาศัยมีความเรื่อมใสในองค์สมเด็จพระบรมโลกเกชิตโดยเฉพาะแล้วเราก็มีเวลาเรื่มใสบัดเดี๋ยวเดียวเท่านั้นไม่มีเวลานานเลยเป็นสิ่งนี้อัศจรรย์จริงๆเราเกิดมาั้งอายุสิบหกปีพ่อของเราเป็นคนไม่ดีไม่เรื่อมใสในพระพุทธศาสนาเป็นคนขี้เหนียว เงินทองไม่อยากจะใช้มีทรัพย์ถึงแปดสิบกอดแต่ดูว่าก็ไม่มีประโยชน์อะไรสำหรับเราทรัพย์ส่วนนั้นไม่ได้มีประโยชน์เลยเราอยู่ก็ไม่มีประโยชน์เราตายมาแล้วทรัพย์ส่วนนั้นก็ไม่มีประโยชน์ประโยชน์ที่เราจะพึงได้ก็คือความเลื่อมใสในองค์สมเด็จตราสมาสมพติเจ้าเพียงเท่านั้นเว้นนั้นว่าท่านทั้งหลายที่ตั้งใจบูชาพระ ตั้งใจภาวนาวิตถิโสพระก ว, วารังสมมาสมพุทโธก็ดีหรือว่าภาวนาวัพุทโธก็ดีภาวนาวะรหังก็ดีจงภูมิใจได้ว่าอย่างเร็วที่สุดท่านตายไปแล้วจะมีผลดีเช่นเดียวกับมัตตกุณดลีเทพบุตรแต่เนื้อแท้จริงๆแล้วทุกท่านที่กำลังนั่งฟังอยู่นี่ทำบุญดีกว่ามัตตุณลีเทพบุตรมาก ปริมาณข้อบุญก็สูงกว่ามากฉะนั้นทรัพย์สมบัติอันเป็นทิพย์ที่มตรตตกุณฑลีเทพบุตรได้ยิ่งเชื่อว่าเป็นทรัพย์ที่เป็นทิพย์น้อยกว่าที่ท่านหลายจะพึงได้มากมายเล่าเรื่องของท่านต่อไปท่านมัตตกุณฑลีเทพบุตจรจึงคิดต่อไปว่ารามเวลานี้รามผู้เป็นพ่อของเรา <c oughs> มายืนร้องไห้อยู่ในป่าชา <c oughs> มายืนร้องไห้อยู่ในป่าชาในเวลาที่เราไม่สบายก็ไม่ยอมจะหาหมอมารักษาเก็บยามารักษาเอง <c oughs> เวลานี้สิดันมายืนร้องไห้บ่นว่าเราอยู่ที่ไหนลูกอยู่ที่ไหนลูกรักอยู่ที่ไหนเวลานี้พ่อต้องการให้ลูกกลับมาเราควรจะทร ม, มานแจ ให้มีความรู้สึกสำนึกตนว่าไอ้ ก, กรรมที่เป็นเมติช้าทิฏฐิเป็นอารมณ์ของทุเรชนคือความชั่วที่ไม่พยายามให้แม้แต่ทานการกุศลอย่างนี้เป็นของไม่ดีเมื่อคิดอย่างนี้แล้วเขายึดเปลง่ตัวของเขาเวลานี้เขาไป็ทวดาก็แปลงตัวของเขาเหมือนกับคนเดิมคือมัตรกุณดลีมานก ้วก็มายืนอยู่ข้างๆประชายยืนกอดแขนแล้วก็ร้องไห้อยู่ใกล้ๆปรชาชัยใกลก้ๆที่พ่อเคยยืนร้องไห้เป็นอนวภรีเทวดากับตาพรามขี้เหนียวร้องไห้แข่งกันเวลานั้นแต่พรามแกเห็นเขาแล้วก็คิดว่าเออไอ น, นี้มันเราร้องไห้ถึงลกูกของเราที่ตายไปแล้ว ก็เจ้ามานกคนนั้นไปยืนร้องไห้นี่มันร้องไห้ต้องการอะไรของมันแกต้องถามดูเมื่อกิ้จะนีแล้วก็ถามว่านี่เธอเธอแต่งตัวแล้วเหมือนกับมดไคุณลีลูกชายของเรามีระเบียบดอกไม้เป็นเครื่องประดับบรดามีตัวหอมพุ่งไปเหมือนกับจันเหลือง กอดแขนร้องไห้ ide, ข่าควรอยู่ในที่ใกล้ประชานี้อยากจะถามว่าเธอนะมีความทุกข์อะไรมาโนแปลนดี่จกล่าวกับพระว่านี่คุณหลวง <c oughs> ผมมีรถรถอยู่คันหนึ่งแต่ตัวรถสร้างเรียบร้อยแล้ว <c oughs> ตัวรถเธอสร้างเรียบร้อยแล้วทำได้ทองคําล้วน มันสวยงามผุดของละอองตาจริงๆมันเสร็จแต่ทว่ายังหารอรถยังไม่ได้ที่มายืนร้องไห้เพราะว่าอยากจะได้รอรถที่ถูกใจถ้าไม่ได้รอรถก็จะยอมเสียชีวิตยืนร้องไห้มันอยู่แบบนี้จงกว่าจะขาดใจตายในขณะนั้นตาพรามขี้เหนียวจึงถามว่า นี่นะพ่อคุณพ่อมหาจำเริญอยากจะถามว่าล้อคุณเดียวที่เธอต้องการนั้นเธอต้องการจะทำด้วยอะไรจะทำด้วยตรงคำหรือหรือว่าทำด้วยแก้วก็ตามหรือว่าจะทำด้วยโลหายก็ตามจะทำด้วยเงินก็ดีขอพ่อคุณจงบอกกับฉันมาเถิด ฉันพร้อมที่จะรับแต่กันทำให้เธอท่องทุกอย่างตามที่เธอต้องการแหมเขานิใจดีนะเห็นว่าชายคนนี้ที่ยืนร้องไห้มันเหมือนกับลูกชายที่ตายจริงๆ <c oughs> แกเกิดความรักเข้ามาคราวนี้เอาละอากจะคิดจะเอาอะไรก็ได้จะ ล, อดลด่อรถจะทาได้ตองคาก็ได้จะทำได้แก้วมันนี้จะทำได้โลหะจะทำได้เงินอะไรก็ได้ทุกอย่างดู ดูคนลูกแท้แทไม่รักพลูกตายไปแล้วก็ไปรักคนที่เหนียวสภาพใครลูกคนนี้ถ้าไม่บ้าก็บอตังเรื่องต่อไปเป็นกล่าวว่ามานพได้ฟังคำนั้นแล้วก็คิดว่าไอพรามคนนี้เวลาที่เรายังมีชีวิตอยู่เป็นลูกของแกเนี่เวลาที่เราป่วยยาแกก็ไม่ยอมเสียค่ายา หมอแกก็ไม่ยอมเสียท่านมาเห็นเรามีรูปร่างคล้ายๆแกลูกของตัวเยืนร้องไห้อยู่ยังสามารถจะพูดว่าเราต้องการล้อรถทำด้วยอะไรก็ได้มีทองคาเป็นต้นนี่แกสแสดงความเป็นคนแปลกทำไมเป็นอย่างนี้แต่เอถอเราจะต้องแกล้งแกเล่นดูกำลังใจของแกสิว่าแกจะว่าอย่างไง เมื่อเขาคิดอย่างนี้แล้วจะได้กล่าวว่าคุณลวงท่านจะทำล้อให้แกเข้าไปเจ้าโตสักเท่าไหร่หรว่าจะเป็นล้อรถทําให้โตขนาดไหนพรามนั่นก็กล่าวว่าเธอต้องการเท่าไหร่โตเท่าไหร่ชั้นทําให้เท่านั้น <c oughs> ตอนนี้จะกล่าวเป็นบาดประการถาเนียเสียงมันจะแย่ใช่แล้ว ตอนนี้ท่านกราบเป็นบาท้วประคาถาว่าเข้าไปเจ้าเป็นนั้นว่ามาลพบเขบอกว่านี่เข้าไปเจ้าต้องการล้อพิเศษมันไม่ใช่ล้อธรรมดาเพราะรถท่านทำด้วทองคําสวยงามมากต้องการดวงจันทร์กับดวงอาทิตย์ทั้งสองดวงนี้เอามาเป็นทำทำเป็นล้ อ, ล อ, ลอเข้าไปจิ้มล้อรถของเขาไปเจ้า ขอได้โปรดขอท่านได้โปรดให้พระจันทร์และพระอาทิตย์ทั้งสองดวงนั้นเอามาเป็นลออรถขึงนขบวนเจ้าใชดีเหมือนกันนี่เทวดาย่โยคนเวลามามนต์เป็นกล่าวซ้ํากับเขาว่าพระจันทร์ก็ดีพระอาทิตย์ก็ดีย่อมส่องแสงเร่งคู่กันในวิถีทั้งสองรถขึงนขบวนเจ้าทำด้วยทองคํา จะได้มีงามสมกับล้อทั้งสองนั้นถ้าพรามพอดิดฟังก็ตกใจคิดว่าเอไอเจ้าเด็กคนนี้นี่มันจะบ้าหรือจะบอ ก, กันแน่เนาะมันจะเอาพระจันทร์และพระอาทิตย์มาทำล้อนี่ชาวบ้านชาวเมืองที่ไหนก็คิดแบบนี้บ้างแกจริง่บอกว่านี่พระคุณเธอปราถนาของที่ไม่สมควร ไม่มีใครเขามีความต้องการอย่างนี้เธอนี่มันคนโง่จริงๆเ <c oughs> พราะอะไรพระเซงเข้าใจว่าถ้าเธอต้องการพระจันทร์แะพรอาทิตย์มาเป็นล้อของเธอนี่เซงคิดว่าเธอจะตายเปล่าไม่มีโอกาสหรอกใครที่ไหนจะเอพระจันทร์และพรอาทิตย์มาเป็นล้อรถของตนได้ ตามพมารีจึงกล่าวต่อไปว่ามานกนทีนี้พูดกับพรามนั้นว่าก็คนผู้ร้องไห้อยู่แล้วก็มีความต้องการสิ่งของที่ปรากฏอยู่คือดวงจันทร์กับดวงอาทิตย์ที่เราสามารถเห็นได้ในตาท่านคิดว่าเราเป็นคนโง่หรือว่าบุคคลที่ร้องไห้เพื่อต้องการสิ่งที่ไม่ปรากฏ เช่นท่านคือเวลานี้ลูกชายของท่านมันตายไปแล้วมันอยู่ที่ไหนท่านก็มองไม่เห็นท่านมายืนร้องไห้เรียกลูกชายของท่านต้องกายต้องการลูกชายของท่านก็อยากจะทราบว่าขบัติเจ้ากับท่านสองคนเนี่ยอย่างขบัติเจ้าต้องการดวงจันทร์และดวงอาทิตย์มาเป็นรอรถแต่สิ่งทั้งของทั้งสองอย่างนี้มองเห็นได้ แต่ว่าชีวิตลูกชายของท่านที่ตายไปแล้วเวลานี้ท่านมองไม่เห็นและท่านก็มานั่งบนลำพึงลำพันต้องการลูกชายของท่านอยากจะทราบว่าเราสองคนนี้ใครจะโง่ ก, กว่ากันท่านบุฟังฟังแล้วก็ลองคิดว่าคนสองคนนี้ใครจะโง่ ก, กวกันแล้วเขายังกล่าวว่าแม้ความ ไปในความมาของพระจันทร์อันนี้ยากเป็นคาถานะและพระอาทิตย์ก็ย่อมปรากฏอยู่คือท่าท่าคือวันณนะแห่งพระจันทร์และพระอาทิตย์ก็ปรากฏอยู่ในวิธีทั้งสองส่วนทั้งสองส่วนคนที่ตายไปแล้วล ะ, ละไปแล้วใครก็มองไม่เห็นบรรดาเราต้องสองลูกข้าคลนอยู่ที่นี่ใครจะเป็นคนโง่กว่ากันนี่เขาท่าทายกัน <c oughs> พระพรามพอได้สดับดังนั้นก็ก็คิดได้ว่าโอ้มาลบคนนี้ผู้ถูกนะความจริงนี่เราไม่โง่กว่าเขาไอ้ลูกขอเรามันตายไปแล้วเรามองไม่เห็นไม่รู้อยู่ที่ไหนเขามายืนร้องไห้ที่เขาต้องการดวงจันทร์ดวงอาทิตย์นี่เราหาว่าเขาโง่นี่หนา้าโกเรามันจะโง่เอาซะแล้วเจ้าจีเนตกล่าวว่านี่พ่อคุณพ่อจมฟ้าจำเริน นี่เธอพูดจริงตรงเราสองคนผู้กําลังร้องไห้ยอยู่ในที่นี้ปรากฏว่าฉันน่ะเป็นคนโง่กว่าเธอนะไม่ใช่เธอโง่กว่าฉันใชแล้วที่แรกฉันคิดว่าเธอโง่กว่าฉันแต่เวลานี้ฉันทราบแล้วว่าฉันโง่กว่าเธอนี่ฉันอยากจะได้บทที่ทําที่ตายไปแล้วคืนมาเหมือนกับทารกร้องไห้อยากได้ดวงจันทร์เท่างนั้น แค่เด็กมันเห็นดวงจันทร์สวยสุดมงามก็บอกพ่อบอกแม่บอกพ่อจ๋าแม่จ๋าฉันอยากจะได้พระจันทร์เจ้าค่ะแบบนี้โอกาสมันไม่มีเป็นนวัดพราหรามคนนีก้ก็รับเระแกงโง่แล้วต่อทันไปแต่ก็กล่าวว่าพรามนั้นมีความหายโศกเศร้าเพราะถ้อยคำเข้ามานบนั้น เมื่อจะทำความชมเชยมานพได้กล่าวเป็นคาถาภาสิตว่าท่านมานดาของเจ้าจึงเป็นผู้ร้อนหนักหนาเหมือนกับบุคคลดับไฟที่ติดท้มันด้วยน้ำที่ว่าฟังยากเลยนะทตามบรีข้าว่าเจ้ายัางยังความกังวลกระวายทั้งปวงให้ดับไปได้ ท่านผู้บรรเทาความโศกทึ้บทของข้าพเจ้าอันความโศกครอบงำแล้วได้ถอนลูกสอนคือความโศกที่มันเสียแทงใจข้าพเจ้าออกได้แล้วหนอข้าพเจ้านั้นเป็นผู้มีลูกศร อ, อันท่านถอนเช่นแล้วทูกถอนลูก ส, สอนคือความเสียใจเป็นผู้เย็นสงบแล้วพ่อมอนบพ่อคน ข้าพเจ้าหายโศกหายร้องไห้พราได้ฟังถ้อยคำของเจ้านี่เขาชมนะชมและเวลานี้เราก็จะฟังมานุกเขาตอบกันมายังไงดีมองเวลาปรากฏว่ามันหมดเวลาเสีแล้วนี่เป็นอนว่าสำหรับวันนี้เรื่องมาเรื่องมาตรคุณดลีเทบพบุตรพระบรนดาท่านพุทธบริษัทท่านหลายผู้รับฟัง ก็โปรดยับยั้งไว้แต่เพียงแค่นี้ก่อนเพราะเล่าต่อไปไม่ได้เวลามันหมดขอท่านผู้ฟังทุกท่านจึงกำหนดจดจาคำว่าการภาวนาว่าพุโทโธและนึกถึงความดีขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพียงแค่ชั่วขณะจิตเดียวแต่มาถเปนทวนดาบนบนสวรรค์ชั้นดาวเดืงสถรวโลกได้บนของเราใหญ่กว่ามัตตมักดดุณดลีเทพบุตร หากว่าท่านไม่ประมาทในชีวิตมีจิตกำหนดไว้เสมอก็เข้าใจว่าความดีจะยิ่งใหญ่กว่านั้น เ, เวลาหมดแล้วขอลาก่อนขอความสุขสวัสดิ์ีพัฒนามงคลสมบูรณ์ภูนผ ล, ลจงมีแดบรรด า, ดาท่านพุทธศาสนิกชนผู้รับฟังทุกท่านสวัสดี